ข้อนตอเ น, นี่ยผู้เจ้าท่างก็ให้ภาวกรกลิเห็นละ่ะเจอละแล้วก็ โ, โหเศร้าหมองจริงๆแต่ท่านก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จ ะ, จะเจริญวิปัสนาที่จะแก้จิตหรือว่าจะคลายจิตนะกว่าจะบุก ป, ป่าฟ้าดงกว่าจะปีนขึ้นไปบนอันผานี่มันไม่ใช่แป๊บเดียวนะแสดงว่ามันก็ต้องอาจจะเป็นอะไรเป็นวันวันนะกว่าจะไอ้นั่นได้แต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นเวลาหลายวันนี่ก็พูดง่ายก็ทุกไปหลายวัน นะแต่พูดง่ายพระพุทธเจ้าท่านก็คอยคอยเหมือนกันอะไรตามอะตามดูอะท่านไม่รู้แหละท่านมียานพิเศษของท่านเน่ยท่านก็ใช้อะไรอะไร่ะใช้อะไรเลด้าจะใช้อะไรอ่ะท่านก็ยังจิตของพระวักกะิอยู่เรื่อยนะว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วใช่ไหมแต่นี้ท่านเห็นแล้วว่าเออก็พยายามภาคเพียนอยู่เหมือนกัน แต่ความเศร้าหมองมันคลายไม่ออกนท่านเห็นตรงนี้ปั๊บพระาศาสดาจึงเสด็จไปประทับยืนที่เชิงเขาคือคือภรวรัคคฤเนี่ยอยู่บนอยู่บนหน้าผาพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่เชิงเขาแลา้วตอนนี้ข้างล่างทรงปลอบโยนวักคฤภิกษุด้วยการตัดเรียกหาว่าวักคฤจงมาเถิดวักคฤจงมาเถิด เพียงได้ยินการตรัสเรียดเท่านั้นวัคริิีภิกษุก็เกิดปิติและสุขใจยิ่งนักรีบทลาวิ่งลงมาจากเนื้อเขาสูงถึงเชิงเขาได้โดยสะดวกรวดเร็วทีเดียวเพราะว่าอะไรใจมันมีอยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะจริงๆตอนแรกมันมีแต่ความเสียใจใช่ไหมตอนนี้พอได้ยินแค่ผู้เจ้าเรียกหาท่านั้นเองโอ้โหดีใจใหญ่เลยนะรีบลงมาเลย ตอนนี้รู้จักรถชาตชของความทุกข์เลยน ะ, อะตอนนี้โอ้โหคลายแล้วใช่ไหมแค่พระเจ้าเรียกหาแล้ว น, นเ่คลายแล้ว <c oughs> กลายเป็นดีใจเลยรีบลงมาเลยแล้วพระาศาสดาก็ทรงถามขึ้นว่าดูก่อนวักริเมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่ที่ไร้เส้นทางสัญจรเป็นที่เศร้าหมองแล้วถูกโรคลมเข้าครอบงำเธอจะทาอย่างไร ข้าพระ อ, องค์จะทำปิติและความสุขอันไพยบณ์ให้แพร่ไปทั่วร่างกายจะครอบงำเหตุอันเศร้าหมองนั้นเสียจะเจริญสติปัฏฐานสี่อินรีห้าพระห้าและพระชงเจ็ดเพราะข้าพระ อ, องค์เคยได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบันมั่นเป็นนิดมีความพร้อมเพียงกัน มีความเห็นร่วมกันปฏิบัติอยู่เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งฝึกดีแล้วมีพระหารือยตั้งมั่นข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่เกียดคร้านตลอดทั้งคืนและวันอยู่ในป่าใหญ่วันไม่ไม่เกียดคร้านตลอดคืนและวันนี่หมายถึงว่าพอระลึกถึงพระผู้เจ้าเนี่ยโอ้โหท่านก็ศรัทธาอยู่แล้วท่านก็มีกําลังเลยมีใจที่อยากจะต่อสู้อยากจะต่อสู้กับ ก, กิเลสเนี่ยนะแล้วท่านก็คือความรู้เนี่ยท่านมีอยู่แล้วเพราะว่าท่านคอยติดตามพระเจ้าใช่ไหมทฤษฎีอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆรู้หมดอยู่แล้วมันเหลือแค่การปฏิบัติให้ได้อย่างที่รู้นั่นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเศร้าหมองทําไงเศร้าหมองก็ทําให้มันมีปิติให้มันแผ่ซ่านไปทั่วกายใช่ไหมแล้วก็ทําให้ไอ้ความเศร้าหมองเน่ยง่ายถ้าใช้สมถ า, าก็ข่มลงไปถ้าใช้วิปัสสนาก็เนี่ย จะใช้สติปฐานสี่อินทรีย์ห้าพระห้าโพชงเจ็ดเนี่ยก็ล้างจิตเศร้าหมองนั้นออกไปนะแล้วก็ต้องพูดง่ายว่าต้องทำให้บ่อยๆทำให้มากๆตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็ตอบพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าดีละเธอจงตั้งใจปฏิบัติเถิดวักริคายใจได้แล้วว่าภาษาสดาไม่ได้รังเกียจเราจึงภาคเพียรบาเพ็ญทำยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่ง เกิดการอาพาธอาพาธคือป่วยนะป่วยหนักได้รับทุกขเวทนามากซึ่งขณะนั้นได้มาพักอยู่ที่บ้านของนายช่างหม้อคนหนึ่งนะคือหลังจากนั้นมาก็คลายใจแล้วก็เลยพยายามละพยายามบำเพ็ญ <c oughs> ขั้นอาการอาพาธรุนแรงสุดที่จะทนได้ วัคกรีพิกษุจึงเรียกเพื่อนภิกษุให้ช่วยไปทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์เยี่ยมนะขอร้องให้ผู้เจ้ามาเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบแล้วสเสด็จมาเยี่ยมถึงที่อยู่พอวัคกริภิกษุเห็นพระศาสดา ก, ก็พยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่พระศาสดารีบตัดห้ามไว้อย่าเลยวัคกริเธออย่าลุกขึ้นเลยแล้วทรงถามถึงอาการอาภาษว่า เธอยังพอทนได้หรือไม่พอยังอัตภาพอัตภาพก็คือร่างกายเนี้นะพอยังร่างกายนี้ให้เป็นไปได้หรือไม่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นทุเราลงหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวไม่สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้ทุกขเวทนาแรงกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเราลงเลยดูก่อนวักลิ เธอมีความรำคาญมีความเดือดร้อนหรือไม่ตอนนี้บอกกันนะว่าโอ้โหทรมานมากเลยข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อยมีความเดือดร้อนไม่น้อยเลยแสดงว่าอะไรมีความรำคาญมากมีความเดือดร้อนมากเดือดร้อนนี่เพราะโลกภัยนะก็แล้วตัวเธอเองตาหนิติเตียนตัวเอง ด้วยศีลได้หรือไม่ไม่มีข้อใดเลยที่ตัวข้าพระองค์เองจะติเตียนตนเองได้ด้วยศีลพระเจ้าข่าแสดงว่าท่านทุกท่านได้รับความทรมานท่านมีความโอ้โหอึดอัดลําบากเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโรคเพียงอย่างเดียวแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้ไปทำผิดศีลข้อไหนอะไรเลยนะไม่จะไปโกรธไปด่าใครไม่ได้ไปเกลียดชังอะไรใครเขานึก อะไรอะ่ะนึกแค้นึนกอะไรไข่ไม่มีถ้าหากว่าตัวเธอเองตีเตียนตรงเองด้วยศีลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอยังจะมีความลำคาญและมีความเดือดร้อนอะไรอีกเล่าคื อ, ค, อคือท่านตอบว่าท่านอ่ะมีความเดือดร้อนมากมีความลำคาญมากใช่กับโรคภัยไข้เจ็บเสร็จทูตเจ้าท่านถามคำต่อมาเนี่ยท่านถามาแล้วเธอผิดศีลอะไรไหมพูดง่าย เธอไปทําผิดศีลอะไรเนี่ยให้ผิดพลาดให้บกพร่องอะไรหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าท่านไม่ได้ทําศีลอะไรข้อไหนผิดพลาดบกพ่องอะไรเลยพระเจ้าก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อเนี่ยเธอไม่มีศีลข้อไหนผิดพลาดเลยทําไมเธอจะต้องมาลาคาญทําไมเธอจะต้องมาเดือดร้อนอันนี้หมายความว่าไงละ่ะฮะทั้งทั้งที่ท่านก็บอกมาชัดๆแต่ว่าโอ้โหท่านลาคาญหนักเลยท่านเดือดร้อนหนักเลย พระเจ้ากําลังจะบอกว่าเธอจะต้องมาทุกข์ทำไมที่จริงไม่เห็นต้องทุกข์เลยก็ในเมื่อเธอไม่ผิดศีลอะไรเนี่ยส่วนไอ้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชามันเป็นเรื่องปกติมันเจ็บก็เจ็บเอมันปวดมันก็ปวดอ่ะไอ้นี่มันเป็นเรื่องบอกแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องโดนอย่างนีง้เหมือนกันไม่ต้องใครอ่ะทุกคนอ่ะถ้าเกิดโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกคน ใช่ไหมเพราะนั้นท่านบอกว่าอย่าไปลาคาญเลยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นไปตามวิบากกรรมที่เราเกิดต้องเจ็บต้องป่วยต้องใช้นี่คืออันนี้ก็ก็ใช้ไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรเดือดร้อนไม่ควรลาคาญใจคือมันเหมือนอย่างว่าเราทําดีมาได้แล้วเราสะสมบุญกุศลมาได้แล้วเพราะเราไม่ได้จะทำผิดศีลอะไรเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาเราลึกถึงศีลของเราแล้วมันจะกลายไปเลย มันน่าจะกลายเป็นปิติมันน่าจะกลายเป็นความสุขนะไอ้ส่วนโครคภัยไข้เจ็บนั่นก็ช่างหัวมนันก็มันธรรมดาของมันเนี่ยพผู้เจ้ากำลังจะแน่อย่างนี้นะนี้พระวักลีก็เลยพระเจ้าค่านะก็ตอบต่ออีกนะพอผู้เจ้าบอกว่าแล้วยังจะต้องมาเดือดร้อนอะไรอีกเล่าไม่เห็นจะต้องน่าเดือดร้อนเลยแค่นี้พระเจ้าค่ะจําจเดินแต่การก่อนการละนานมาแล้ว ข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอจะไปเข้าเฝ้าได้พูดง่ายสรุปว่าตอนนี้พระวกรกลิศบอกว่าเอาละไอ้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บท่านก็ไม่ไม่ไปรำลำคารไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วนะแต่ที่ยังรู้สึกอิดอัดแล้วก็ยังลำคาญอยู่เดือดร้อนใจอยู่นี่คือ อยากจะเข้าเฝ้าผู้เจ้าแล้วไม่ได้เข้าเฝ้านี่แสดงว่าเชื้อเก่ายังอยู่ใช่ไหมเชื้อที่โอ้หถ้าได้พบเห็นผู้เจ้าแล้วเป็นไงแม่มีความสุขมีปิตินี่นี่นี่เชื้อเก่าตัวยังยังยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นยังแบบว่ายังห่วงยังกังวลว่าตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าผู้เจ้าสมควรจะไปเข้าเฝ้าเสร็จป่วยไงก็เลยไปเข้าเฝ้าไหวๆแล้วก็เลยเสียดายก็เลยยังอึดอัดยังลาคาญใจยังทุกข์เพราะเรื่องนี้นี่ น, น, นี่ให้เห็นเนี่ยเชื้อเก่ายัางมีอยู่ผู้เจ้าก็เลยตัดเลยคนนีย้ยาเลยวัค ก, กัลิร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมเห็นธรรมอันสโลกเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตมาจากต้นเหตุเนี่ยมาจากภาวะกลินี่เ ในในพระสูตรวักริสูตรเนี่ยแหลนะพระพุทธเจ้าทา่านกรตัดเนี่ยอา้าววักริเป็นความจริงแท้บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรมเธอจงสําคัญความนี้ว่ า, ร, ร, ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ้าวรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะนะจริงๆรนะิงเนพระเออพุทธเจ้าท่านจะถามไล่หมตนะ ขรานี้จะถามอะไรแล้วขึ้นรูปก่อนเนี่ยอะไรต่อไปเป็นอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คืออะไรคืออะไรเรียกเรียกชื่อรวมว่าขันห้านะพุทธเจ้ากำลังจะเริ่มถามขันห้ากับภระวักกะลีแหละนะก็ไล่ทีละตัวแต่อันนี้อาจารย์จะสรุปให้มันสั้นหน่อนะนะคุยง่ายพร้พุทธเจ้าท่านก็นถามเลยว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอาช่วยตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ผู้เจ้าท่านถามควรจะเห็นอย่างนั้นไหมฮะควรจะเห็นไหมเนะี่ยสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่คุณไปเจอแล้วมันไม่เที่ยงนะแล้วคุณรู้ว่าไอ้ไม่เที่ยงนี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วมันไอ้ไม่เที่ยงก็คือมันแปรปวนเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นไอความแปรปวนมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยผู้เจ้าบอกเนี่ยใช่ไหมควรไหมล่ะที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นนั่นนั เ น, เนี่ยของเราของเราตัวตนก็ตามเนี่ยของเราของเร า, เาพี่เจ้าก็ถามว่าเนี่ยควรเห็นว่าเป็นของเราไหมอนะไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้านะท่านก็ตอบตามตรงพอตอบเสร็จผูเจ้าท่านก็ตรัสว่าเพราะเหตุ น, นั้นอริยาสาวกเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร บิญญานเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนีพ่พระเจ้าทางกลังสอนแล้วนะสอนวิธีจะให้บรรลุทแล้ว ใช่ไหมว่าเนี่ยยึดไม่ได้หรอกอะไรมันไม่เที่ยงเนี่ยอะไรมันแปรปรวนเนี่ยคุณยึดยังไงอ่ะยึดไม่ได้คุณยึดว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้เหมือนกับที่ตอนก่อนจะพูดถึงเรื่องพระวกริเทระเนี่ยใช่ไหมที่คนถามในเรื่องการประชุมอั้มาบอกคุณหวังไม่ได้หรอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะสมหวังหรือจะผิดหวังคุณเลือกไม่ได้หรอก มันเป็นไปตามอะไรเหตุการณ์ของมันที่จะเป็นไปนั้นก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภรวักะลิเนี่ยแล้วท่านตรัสว่าเนี่ยถ้าเราไม่ยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไอ้นนท์ไอ้นี่เอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าคุณไม่ไปยึดไม่ไปสร้างอุปทานไม่ไปสร้างไอ้อะไรตัวยึดไว้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเบื่อหน่าย มันจะจิตเนี่ยมันจะคลายออกจากสิ่งนั้นพ่อรู้ว่า้สิ่งนั้นมันแปรปวนอยู่เรื่อยถ้าเราเกิดสมมตินะเราไปรักผู้ชายหรือผู้ชายไปรักผู้หญิงสักคนหนึ่งพอไปรักเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยปิ๊นปอนตอแหลหลอกลวง <c oughs> ต้องเอาหนักหนักหน่อย <c oughs> นะ่เรียกว่าโหแบบไอ้นั่นเหลือเกินนะคือคือที่พยายามพูดเนี่ยคือคือคือถ้าเราเห็นจริงๆริะนะ รูปนอกนี่ก็อาจจะดีก็แต่แต่เนี่ยเราพิจารณาเราเห็นจริงๆว่ามันแปรปวนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ชังอะไรเงี้ยถ้าคุณเห็นว่าผู้ชายคนไหนก็ตามผู้หญิงคนไหนก็ตามร้อยเปพันซตว่ามีความแปรปวนทุกคนใช่ไหมถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่จะรักหรือว่าที่จะชอบคนนั้นแต่ถ้าตาบดาเนี่ย ส่วนใหญ่รักหัวปักหัวปัม๊มรักแล้วเลิกไม่ค่อยได้คลายก็ไม่ค่อยออกเพราะอะไรพราะพอคิดถึงเขาหรือคิดถึงเธอทีไรก็โอเขาจะเป็นอย่างนั้นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปตามที่คุณจะมีอุปทานน่ะแล้วคุณก็จะสร้างอุปทานคุณไปจงอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยคุณเข้าไม่ถึงความแปรปวนแล้วคุณก็เข้าไม่ถึงความไม่เที่ยงเพราะฉนั้นมันก็จะยึดไปจะเข้าของอยู่เรื่อย เพรอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดพ้นแล้วมันจะไม่ไม่เบื่อหน่ายเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็นตัดให้เห็นถึงว่ามองให้เห็นตามความเป็นจริงสิใช่ไหมสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงไหมเวลาเ้าดีกับเราเออเราก็มีความสุขแต่พอตอนไหนเนี่ยเขาไม่ตามใจเราเออเราก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วนี่ก็คือความไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้อ่าก็เพราะมันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ให้เห็นถึงความแปรปวน ก็พระเห็นอย่างนี้พระเจ้าถึงบอกถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่อยากจะยึดคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าของแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้จิตมันก็จะเริ่มคลายกำหนัดคือคลายความยินดีคลายความพอใจที่เราจะเที่ยวไปยึดไอ้นั้นไอ้นี่เอาไว้แล้วถ้าคลายอย่างนี้ได้นะพระเจ้าท่านก็บอกว่านั่นแหละจะหลุดพ้นได้จากสิ่งนั้นคุณเอาอะไรมาค้าบไว้ที่ปากใช่ไหมสมมุติว่าเอาขนมตะ ก, ก้อนมาค้าบไว้ที่ปาก ถ้าอยากจะให้ขนมนี้หลุดไปทํำไงก็อ้าปากใช่ไหมถ้าคุณอ้าปากขนมนก็หล่นไปเองไม่ใช่หล่นเข้าท้องนะมันก็หล่นออกไปเอง อ, ะอ่ะอ้าใช่ไหมขอให้คุณอ้าปากแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่เป็นไงมันไม่ยอมกายมันไม่ยอมอ้ามันไม่เพียงบางคนเนี่ยโอ้โหเขามาดึงใหญ่เลยนะก็มาดึงให้จะออกจากบปากมัน ย, ยังไม่ยอมคายเลยด้วยซ้าไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆริรนะ จะมาเคยคุยด้วยกับบางคนเนี่ยที่เริ่มไปชอบใครสักคนหนึ่งไปคุยนะไปคุยเสร็จแล้วก็พยายามอ่โหให้เขาเห็นอสุภะให้เขาเห็นความไม่ดีของของของคนที่เขาไปรักนะโอ้โหพยายามพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาแก้ให้หมดเลยะขงแก้ให้หมดเลยเราก็บอกหมดปัญญาแล้วยอมแพ้ต้องยอมแพ้เพราะเขาไม่ยอมคลายเลยอะ่ะ ขนาดเราเออโหว่านั้นเนี่ยบอกเห็นชัดๆเลยคุณเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาทําอย่างนี้กับคุณเนี่ยไอ้หลักฐานพยานก็ยืนยันชัดๆอย่างเงี้ยแต่ใจคนนั้นน่ะไปลากหัวปลกหัวปลาอย่างเงี้ยไปชอบแล้วมันก็ยึดอย่างเงี้ยว่าไอ้ที่เขาทําอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเขาเข้าใจผิดบ้งเพราะอย่างนั้นองแก้ตัวให้หมดเลยอาตมาก็เลยโอ้หมดปัญญาเนี่ยแหละคือคนที่ไม่ยอมคลายไม่ยอมปล่อยออกไป อไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าก็นี่แหละเขาทําไม่ดีแล้วเขาทาไม่ถูกแล้วอย่างเนี้คุณทําไมไม่ยอมยอมรับความจริง อ, อ่ะเอเพราะยอมรับความจริงขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะคลายออกจิตก็จะคลายออกนะอันนี้ก็เหมือนกันพอพรุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้แล้วใช่ไหมพูดง่ายว่าบอกถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยบรรลุธรรมเลยน่าจะเป็นพระอรหันต์เลยพระาศาสดาตรัส จ, จนตรัสสอนวัตริภิกษูแล้วทรงรุกจากที่ประทับ สเสด็จไปทางภูเขาคิชกูดส่วนวัรกริภิกษุก็เรียกเพื่อนภิกษุให้ช่วยกันอุ้มตนขึ้นให้หามไปยังวิหารการลัศีลาซึ่งอยู่ข้างภูเขาอิสิกิริคือพูดง่ายพอผู้เจ้าสเสด็จไปแล้วเนี่ยท่านก็ป่วยหนักอยู่แล้วหละก็ท่านก็เลยแบบว่าเอา้าช่วยช่วยช่วยว ย, ย้ายหน่อยนะทํไมไม่รู้นะด้วยความคิดว่าพิษุเช่นเรา ไม่สมควรที่จะต้องมาตายอยู่ในหะาแวกบ้านเช่นนี้คือคือท่านก็คิดอย่างของท่านอะที่ว่าท่านเป็นพระพระนี่ก็คืออะไรผู้ที่ทิ้งบ้านช่องเดือนชาญแล้วใช่ไหมเป็นอนาคาริกแล้วไม่มีบ้านช่องไม่มีเดือนชาญพอดีตอนที่ท่านป่วยเนี่ท่านไปอยู่ที่บ้านช่างหม้อคนหนึ่งวันท่านรู้แล้วอาการหนักแล้วนี่วันท่านก็เลยบอกคิดเยีใวว่าไม่เอาอ ถ้าจะตายนี่เหมือนกับไปตายอะไรอะในที่ที่ควรจะตายเช้าวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปหาวักกริภิกษุถึงที่อยู่แล้วจงบอกอย่างนี้ว่าเมื่อคืนมีเทวดาตนหนึ่งทูลกับพระาศาสดาว่าวักกริภิกษุกำลังคิดเพื่อความหลุดพ้น นันเนี่ยมีเทวดาพูดง่ายมามาทูลกับพระเจ้าว่าว่านี่ยพระวัตรลิกําลังคิดจะจะให้บรรลุธรรมแล้วแต่มีเทวดาอีกองค์หนึ่งทูลว่าวัตรลิภิกษูนั้นหลุดพ้นดีแล้วจะหลุดพ้นได้แน่นอนส่วนพระศาสดาเองได้ตัดฝากให้ท่านว่าอย่ากลัวเลยวัตรลิเธอจะมีความตายอันไม่ต่ําช้า จะมีความตายอันไม่เลวซามเลยมีความตายอันไม่ต่าหมายถึงถ้าตายไม่ต่าหมายถึงก็ตายสูงใช่ไหมตายไม่ต่าตายสูงนี่ไม่รู้ตายบนภูเขาหรือเปล่าไม่รู้ตายอันไม่เลวซามหมายถึงถ้าตายไม่เลวเนี่ยก็หมายถึงก็ต้องตายอย่างดีใช่ไมแต่แปลกตรงเออทาไมท่านไม่พูดมุมมุมอะไรนะ บอกว่าเออท่านจะตายอย่างชั้นสูงนะอท่านจะตายแบบอย่างดีนะอะไรอย่างเงี้เออท่านไม่พูดนะ้ะท่านกลับใช้คําว่าเธอจะตายไม่ต่าําซามเธอจะตายไม่เร็วซามเออพระเจ้ากลับตัดอย่างงี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่หน้าตายอป่ะความตายไม่ได้หน้าตายนะอันเนี้ยที่จะมาเคยบอกให้พวกเราฟังว่าสําหรับ ภิกษุเนี่ยบางทีต้องระวังนะถ้าไปไปเยี่ยมใครใครเนี่ยแล้วเขาใกล้จะตายอะไรพวกเนี้ยไปพูดปิ๊ป ป, ประปัาดไม่ได้นะบอกว่าโอ้โหท่านตายแล้วนี่จะดีนะจะอย่างนั้นอย่างนี้คุณเอ้ยราชิกเลยนะถ้าเขาตายเขาายินดีกับการที่เราบอกอย่างนั้นแล้วเขาก็ตายจริงๆเลยนะราชิกเลยซวยเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องระวังประเด็นเนี้ยเนี่ยภิกษุจะต้องระวังอย่างมากๆเลย อาเศวติภพผู้เจ้ า, าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัสแล้วก็พากันไปหาวักริภิกษุถึงที่อยู่เพื่อบอกเล่าคำของพระาศาสดาวักริภิกษุให้เพื่อนๆช่วยกันอุ้มตนลงจากเตียงเพราะคิดว่ายิ่งป่วยหนักนะแต่ยังโอโ้ผู้เจ้าจะมามีคำฝากมาเหรอแบบไม่ไม่ยอมอยู่บนเตียงลงมาจากเตียงเลยตอนแรกก็จะลงมาใช่มที่ไปผู้เจ้าไปเยี่ยม แต่ผู้เจ้าห้ามไว้ท่านก็เลยอแต่คราวนี้ไม่มีใครห้ามแล้วเนี่ยพอมีผู้มาบอกว่าผู้เจ้าท่านฝากคําตัดมาอย่างนี้นะท่านก็ไม่ยอมและ้ะก็ให้เพื่อนนี่อุ้มลงมาที่พื้นละไม่ยอมอยู่บนที่สูงละเพราะว่าทัานคิดว่าภิกษุเช่นเราจะนั่งอยู่บนที่สูงแล้วฟังคําสั่งสอนของพระศาสดานั้นไม่สมควรเลยนี่คือความศรัทธานี่คือความเคารพยกย่องพุทธเจ้า นะท่านศรัทธาถึงข น, นาดนี้เพราะนี่ยจิตของท่านเนี่ยมันมันมันอยู่กับผู้เจ้าเนี่ยมากเลยมากจนกระทั่งว่าโอ้โหผู้เจ้าสอนฝากคำสอนมาให้เราเลยโอ้โหนี่ต้องอยู่ที่ต่ำกว่ากับผู้ที่จะบอกให้ท่านฟังวัดกรีภิกษุได้ฟังแล้วก็บอกกับเหล่าภิกษุนั้นว่าคือคื อ, คอพวกนั้นก็ก็บอกคำคำที่ผู้เจ้าท่านฝากมานะ พอบอกเสร็จภิกษุ <c oughs> วัคคฤภิกษุเนี่ยก็เลยบอกกับพวกภิกษททุที่ที่มาทั้งหมดเนี่ยพวกท่านช่วยกันไปทูลพระศาสดาตามคำพูดของผมด้วยว่า <c oughs> วักคฤภิกษุอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนากล้าเหลือเกินขอถวายบังคมลาเบื้องพระยุคลบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนเกล้าข้าพระองค์ไม่เครือบแคงว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณไม่เที่ยงคือไม่สงสัยเท่ากับหมายถึงว่าชัดเจนแล้วว่าขันทั้งห้านี่ไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แสดงว่าตั้งแต่พระเจ้าสอนไปเนี่ยท่านเอาไปพิจารณาแล้วท่านเข้าใจแล้วไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ตามความกำหนัดก็ตามความรักไข่ก็ตามในสิ่งนั้นๆไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์แล้วนี่คือคำบอกที่ฝากภิกษุพวกนี้เอาไปให้ทูลกับผู้เจ้าถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพูดอย่างนี้หมายความว่าหมดกิเลสแล้วบอกไม่สงสัยอะไรทั้งหมดแล้วที่พระเจ้าท่านตัดอา น, นิจจังอะไรพวกนี้นะทุกขังอะไรพวกนี้ อนาตานี่ท่านเข้าใจหมดแล้วภิกษุเหล่านั้นรับคําของพระวกริเถระเมื่อภิกษุเหล่านั้นออกจากที่นั้นแล้วพระวกริเถระ <c oughs> นะพระวกริเถระก็นําเอาสัตรามาปาดคอตัวเองสัตรานี่คืออะไรอาวุธหรือว่าของมีคมหรือมีดอะไรนี้รากฏว่าอย่างนี้หมายความว่างไงฮะ เนี่ยทํามือให้ดูเงี้ยฮะบาดคอตัวเองเป็นไงอะ่ะก็ตายสิบาดเล่น <c oughs> ๆเมื่อไหร่อ่ะเอ่าพ่ออะไรอ่ะเนี่ยก็ถ้าพูดอย่างนี้ท่านก็ต้องบรรลุแล้วใช่ไหมทำไมจะต้องทำอย่างนี้ที่มีคนเคยบอกว่าโอ้พ่อท่านก็เคยพูดใช่ไหมเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะพู้บรรลุธรรมแล้วเนี่โอ๊ยไม่มาฆ่าตัวตายหรอกอืมนะแต่แต่เนี่ยในประวัติของพระวรัรคฤษนี่ ปรากฏว่าอันนี้ข่าตัวตายอืมอ่าฟังต่อนะแกจะจบแล้วจวนละอินดเดียวพอปรากฏว่าพอท่านปาดคอตัวเองนะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับมากราบทูลตามคำของพระวกริเถระแล้วพระศาสดารีบตัดสั่งว่าคือรีบรับสั่งทันทีเลยพอฟังปับ๊บผู้เจ้ารู้แล้วโอ้พูดอย่างนี้ก็คือลาตายนี่ผูเจ้าก็ รู้แล้วก็เลยรีบเลยบอกว่าไปกันเถิดพวกเราพากันไปหาวัครฤตพอไปถึงวิหารกาและศิลาพระาศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นพระวะกรักคฤเถระนอนคอพับอยู่บนเตียงนั้นเองที่ตรงนั้นมองเห็นมีกลุ่มควันลอยอยู่ลอยไปทิศนั้นทิศนี้สับสนทั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเธอมองเห็นกลุ่มควันเหล่านั้น ลอยอยู่อย่างสับสนวุ่นวายหรือไม่ภิกษูเหล่านั้นก็บอกว่าเห็นพระเจ้าข้านั่นแหละดูให้ดีนะคืออะไรให้พัวกุณเดาว่าคืออะไระ <c oughs> <c oughs> นะนั่นแหละคือมานใจหยาบเที่ยวค้นหาวิญญาณของวักริด้วยคิดว่าวิญญาณของวักรินั้นอยู่ที่แห่งไหนหนา แต่ที่แท้วิญญาณของวัคคินั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ใดเพราะวัคค리เป็นพระอรหันต์ปรินิพานแล้วค่าตัวตายก็จริงนะในกรณีนี้แต่ที่ท่านฆ้าตัวตายดิท่านมีปัญหาไหมฮะท่านมีปัญหาอะไรในท่านถึงฆ้าตัวตายเนี่ยฮะท่านมีทุกข เวทนาทางกายใช่ไหมที่ที่ที่ท่านฆ่าตัวตายคราวนี้ถ้าจะมีวิบากที่บอกว่าใครฆ่าตัวตายจะต้องมีวิบากเท่าไหร่ห้าร้อยชา ต, ติแต่ตอนนี้ท่านมีปัญหาไหมท่านไม่มีปัญหาเพราะท่านไม่มาเกิดอีกแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านไม่มีปัญหาตรงนี้ตรงท่านไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นอ้ามารที่ไหนอะ่ะจะมาตามให้ท่าน มาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติจะไปหาท่านที่ไหนอ่ะหาท่านไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต่างกันนะถ้าเป็นคนที่ยังไม่เป็นพระหรหันเนี่ยไม่บรรลุธรรมฆ่าตัวตายคุณต้องมาใช้จริงๆรนะคุณยังต้องโอ้โ oh, ห oh, ใช้อีกห้าร้อยชาติมันก็เป็นสัมนวนนะนะห้าร้อยชาติเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณจะต้องมาทนทุกขทรมานกับความที่อะไรอดทนนั่นอดทนไม่ดีได้ไม่ไหวคุณก็ ทำลายตัวเองคุณก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยไปใช่ไหมคือไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนแต่สําหรับภรวกรกลิท่านไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะท่านไม่ไม่มาเกิดอีกแล้วจบมาที่ไหนก็มาตามเล่นงานท่านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างดังนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงประกาศท่ามกลางหมู่สงฆ์ทรงแต่งตั้งให้ภรวกรกลิเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ที่หลุดพ้นกิเลสได้ด้วยศรัทธาถือว่าเป็นเอตทัคคะในด้านของผู้ที่หลุดพ้นกิเลสได้ด้วยความมีศรัทธาต่อผู้เจ้าเนี่ยมากมากมากจนพลังของศรัทธาที่ท่านเชื่อถือเพราะท่านบอกว่าอะไรเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นที่อื่นๆเขาจะแปลแค่ศรัทธานิบปะเชื่อมั่นวันท่านเชื่อมั่นมากเลยในผู้เจ้า ยิ่งพระเจ้าพอสอนอันสุดท้ายนี่ใช่ไหมท่านโอ้โหไปพิจารณาด้วยความเชื่อมั่นเลยวจนเห็นชัดเลยว่าขันทั้งห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปวนเป็นธรรมดาท่านก็วางได้ปล่อยออกไปได้คลายกำหนัดคลายความติดยึดตัวสุดท้ายที่บอกว่าว่ายังมีเชื้ออะไรเชื้อที่ยังแหมไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ยังมาเสียดายอันนี้อยู่ ย, ยังจะมาอัดขัดเคืองเพราะเรื่องนี้อยู่เนี่ยที่ท่านไม่บรรลุนะเพราะไอ้อย่างนี้ยังเหลืออยู่โดยพระเจ้าก็สอนเลยไงม า, มายินดีอะไรกับไอ้ ก, กายอันเน่าเปื่อยนี่ใช่ไหมก็สอนท่านไปท่านก็เข้าใจชัดเจนแล้วท่านก็ตัดปล่อยพวกนี้ได้ท่านก็ถึงบรรลุมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้นนก็คิดว่าพวกเราก็คงเอาไปคิดไปทบทวนก็คงจะได้ประโยชน์จากเรื่องพระวัคลีเถระ อาวันนี้องพอจานนี้นะ